ถ้าสีดามันเห็นได้นี่สัมนี่ผู้ลูกนะครับก็ขอโอกาสไปตลอดเลยนะครับตลอดเรื่อยๆกันเชิญฝานจะสอนจบนะครับนี้ก็เป็นวันตอนนี้กลางขาวันแรกไอ้แบบได้จบมานาหนหลายปีที่แล้ว <c oughs> นะครับจบรอบตอนนี้การขาเนี้สอนจบจะหลายรอบนะครับหลายรอบนล้วนะครับเพราะว่านี่เป็นรอบเท่าไหร่จาไม่ได้ รอบแรกมีพี่แอ๊อ๊นะครับแล้วก็ผละเดิมเงินรอบแรกรอบสองพี่แฮงรอบสามมีพี่เก่ง น, นะครับรอบสี่เนี่ยใครนีรอบสี่ใครนะจะไม่ได้ที่พวกปีดาดีกว่าครับพวกปีดาไปก่อนเน้านั้นนะไม่ใช่ใครเนี่ยน่าปีดาหน้าครับแล้วก็หลังนั้น รอบที่ห้านี้ก็รอบที่เนี่ยคันเตเรอบคันเต้ครับฮะแล้วก็รอ บ, รบหกครับคทามครั บ, ร, บรอบหนะแต่ว่ารอบรอบก่อนเราก็ถือว่าสานะสู้เต็มที่นะครับเป็นนึกสารนึกแรกที่ว่าพอวันสุดท้ายนะเหลืออยู่มากที่สุดครับธรรมดาสาที่ไม่ค่อเหลือมันท้ายๆตอนแรกคือเต็มห้องเนี่ยนะครับเต็มห้องนี้แหละพอเรียนไปดีนมาก็ จะเริ่มหายไป็นรูปสองรูปเพื่อรูปสองรูปครับพอใช้ท้ายนะก็เหลือน้อยนะครับมันกี่รูปสามสี่รูปอะไรนี่นะแต่รอบก่อนถือว่าสู้กันเต็มที่นะครับ<ม>นิงถึงวีนาทีสุดท้ายนะก็ยังเหลือเยอะนะครับไม่ใชทํานมดา <c oughs> นี่นะเขาบอกว่าเลยนะผลทางที่สุดม้าการเวลาที่สุดคนนี่นะเดี๋ยวคอยดูก็แล้กันนะ้รับวันสุดท้ายเนี่ยจะเหลือกี่รูป <c oughs> ะะอ่าเสร็จในีกี่รูปนะครับ <c oughs> อันนี้พูดนะพูดพัฒนาอะไรนิดหน่อยครับเพราะว่คุณเคยทำต่อไปนะครับก่อนที่จะได้เข้าเรียนกังขาแลนหน้าแรกนะผมก็จะพูดก่อนว่าผมได้เรียนพี่นายมาจากใครเรียนมาจากใคร บ, าาบ้างเรียนมาจากที่ไหนนะอันนี้เป็นธรรมเนียมนะครับก็ต้องบอกกรูมาอจากที่เราได้ศึกษามาจากท่านเพราะผมไม่ได้รู้เองนะครับไมนได้ไปอ่าคนค้นคว้าแล้วก็รู้มาเองนะ มีครูบาอาจารย์ที่ช่วยแนะนํานะครับช่วยสังสอนนะจะมีความรู้ขึ้นมาก็อาจารย์คนแรกนะที่สอในวิณัยนผมนะครับคือมเรียนวิณัยตั้งแต่ตอนสมัยเป็นสาอเณรตอนเีนอาานน้อาจารย์ขันที่ว่าพระธาตุสามมืนะครับอาจารย์ขันนะก็ดีนุ่งกับผ้านะครับมีทั้งผ้านมีทั้งเนมแต่ว่ารอบแรกเนาผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเพราะเป็นเนมบางทีความตั้งใจอาจจะไม่มากนะครับนะก็ไม่ค่อยเข้าใจ แม้แต่สิทธาบทก็ยังจำไม่ได้เลยสิทธามันป็นนักข้อนี้ว่าอะไรว่าอะครับอย่างเช่นสารดิเศษเนี่ยสิบสามใช่ไหมผมน่าไม่ค่อยถูกนะข้อไหนว่าอะไรไมันมีเรื่องอะไรมากเนี่ ย, ยนี้ไม่รู้เรื่องเลยครับแค่หัวข้อยังไม่รู้เรื่องเลยนะและคำที่ว่า <c oughs> ไม่รู้ยังไงใช่ไหมครับแต่ว่ารอบแรกนี่ก็เนี่ยเป็นอย่งนั้นก็พยายามฟังข้า ใ, ใจขาะเรียนนะครับพยายามฟังเข้าใจว่าฟังข้าใจว่จาแต่ไม่มากแต่มันจาแล้วไม่ค่อยได้ เพราะหัวข้อสือถาบทไมด้เรารอบแรกรอบแรกเนี่ยอาจารก็สอนกลางวันะก็เรียนกันประมาณสามเดือนอาจก็สอนจบนะครับวินัยพิดกนะครับวินัยพิดกมาเปิดชาจารยก็อ่านแล้วก็ช่วยหมายฟังถ้าเรียนสอนยามากประมาณสามหรือว่ายามาสิบมาสามสี่เดือนนะครับก็จบที่นี้ถึงร้องถึงว่าประมาณสามเดือนเรียนกันเยอะมากนะเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับข้อการไปถึงที่ตีมระเบนเหมืทั้งตัวเลยนะ ผมมาเรียนเยอะนะครับหลังวิชานะ <S <S อันนี้รอบแรกครับแล้วรอบที่สองผมก็เรี ย, ยนอาจารย์จจผ่านติครับสองสามรอบนึงนะคือรอบที่สองเนี่ยตอนแรกผมกล้กจะบทช้าแล้วก็เลยนิมนต์ที่อาจารย์มาช่วยสอนให้ทีนี้อาจารย์บวยังไม่สะดวกผมก็รองครับก่อยได้เลยก็คือเมื่อบวชเป็ผ้าแล้วครับอาจารย์มันจะสะดวกไม่ใช่ว่าเรี้วินัยจะเรียนก็ได้ไง่ายๆนะบางทีหลักยาวเราอยากจะเรียนตอนนั้นใช่ไหมครับ แต่ก็ไม่มีคนสอนให้หรือว่าคนสอนยังไม่สะดวกนี่ครับเพราะงั้นไม่ใช่ธรมรมดาถ้าเรามีโอกาสมีคนสอนนะเรารีบเลยนะครับรีบ่อยควา้ารีบตั้งใจเรียนเต็มที่เลยนะเพราะไม่แน่บางทีอาจจะไม่มีคนสอนนี่นะครับเนีย่ยตอนสมัยนั้นรอบที่สองนี้ผมยังมีปัญหาหนักของรอบแรกนะครับผมบอกอาจารย์ช่วยสอนกลางวันได้ไหมปริญญ์กลางคืนไม่ได้ปรนญญ์กลางคืนผมจะง่วงครับแ <c oughs> ต่ก็งงง่วงแล้วไม่ค่อยรูเรื่อง พอประมาณพุ่มกว่านะครับก็เข้าพุ่มกว่าแล้วมีอาการนะครับมันท่องมันจะหนักเป็นปฏิกิริยของข้าในนะผมไม่รู้เป็นข้ออะไรผมว่าอาจารย์ว่าถ้าน้ำผมกําเริกมันจะเป็นหาเห็นไม่ได้ครับผมว่าพยายามแก้นะในการยืนนะครับมันก็จะล้มทั้งยืนเหมือนนะเป็นหนักขนาดนั้นะครับแต่ทีนี้อาจารย์ถ้าไม่สะดนกกลางวันเป็นขึ้นทางานบ้างอะไรบ้างไม่สะดวกกางคืนนะคผมก็เลยคนนทั้งนั่งที่ม่วงนั่นแหละนะครับ จบนะครับแต่ก็ถึงแม้ว่าจะง่วงบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็ได้นโยานะครับนโยาคำวินิจฉัยนะครับได้คาอธิบายจากท่านาอาจารย์อย่างเยอะๆนะครับอาจารย์อย่างยอถึงบางทีเราจําไม่ได้นะแต่ความมั้นใจเนี่ยมันมันฝังในใจนะครับพอไปเจอเหตุการณ์หรือว่าพอไปศึกษามพิ่มเติมเนี่ยนะคำอธิบายของอาจารย์มันขึ้นมานครับเนี่ยนะเพราะนั้นมะันถึงมางอย่างที่เราียงจําไม่ได้เนยะก็ไม่เป็นไรนะครับคถ้าจําได้ดีเลยนะครับ ถ้าจำไม่ได้เราเดี๋ยวคิดว่ามันศูนย์ฝันะมรดิกาว้อใจอยู่มีนะครับมันฝังเลึกๆนะอันนี้นะครับเรียนจากขันสองรอบแล้วก็กรรมอาจารย์สุนพรนะครับกรรมอาจสรย์สุนพลผมไม่ได้เรียนกักท่านโดยตรงอนะผมก็อยากจะเรียนนะครับแต่ว่าอยู่ในธรราชาติถึงไม่ได้เรียนจากท่านโดยตรงนะแต่ได้ความรู้เร e kind of ื่องวินัยจากท่านนี่ถือว่าเยอะครับเกี่ยวคำพิบาตที่ละเอียดลึกซึงนะหลายขยับข้ออาจารย์ทั้นสามารถค้นนะครับ คำพีดีกายสายกเป็นภาษาบาลีได้มีนิมมนะะ้มันมมติดนะครับวิ่งหน่วีดีการวัชริวัชชิรพรนนะุที่ดีการย่างนี้ะเป็นเ้นเลือกซึม น, นะคะรับเวลาหนสงสัยปัญหาวิเนียอะไรหนูก็จะถามท่านโรหาครับะะตอนที่อยู่ก็คือถามเลยตรงเลยตอนที่อยู่วัดท่านครับพออยู่คนละที่ก็โทรถามนะครับตั้งแต่สมัยหนูสอนวิเนียรอบแรกนะผมติดคาราทหนูก็โทรถามมันตลอดนะครับถือว่าเป็นอาจารย์ที่เป็นกนนัญญาณมิต ได้อย่างดีค่ะลูกนี้ะแล้วก็แนะนําวินัยนี้มาตลอดครับช่วยได้ความรู้เยอะมากครับแล้วก็ได้อาจารย์ยองก็อีกส่วนครับอาารย์พยองก็แ <c oughs> กม่ผมไม่เคยโทร ถ, ถามภาษาวินัยกัท่านนะครับแต่สมัยก่อนนะที่วัดเขาสนามไทยเนี่ยมันจริงจรมีการวินิจฉัยวินัยกันเป็นครั้างคาวนะครับในสมัยอาจารย์รอนอยู่ที่านทำหนังสือวินัยข้าหน้ารู้ใช่ไหมครับแล้วเมือาจารย์พยองก็มาที่นี่ครับ มาช่วยวินิจฉัยว่ไหนให้มาช่วยอธิบายที่ไหนให้ครับผมก็ได้ฟารู้ตอนนั้นแหละจากท่านปัญหาตรงไหนที่เราสงสัยไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังลังเลนะก็ไป่ถามแล้วก็เวลาอาจารย์พยอมมาเขาก็เปิดคอมพิวเตอร์เต็มเลยนะครับแล้วก็อธิบายอธิบายบอกเปิดงนั้นตรงนี้แล้วก็อธิบายอีกหนึ่ครับเนี่ยก็ได้ฟารู้จากท่านตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเยิ่นอยู่และตอนที่ไปงานสัมมนาการวินิจฉัยของอาจาริ์พยมแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับ ถือว่าได้ได้เยอะมากครับยุคปีนะจากข้อติณักคุมมาจาน ห, าหลายๆเรื่อครับทีนี้แล้วก็อาจานสุดท้ายเนี่ยเพื่อจาอ น, จนนะย้อนครับจานย้อนนี่ก็ได้แต่ทันนะโดยเฉพาะเรื่องปริวาสครับเรื่องปริวาสเนี่ยมันทีเราอ่านใช่ไหมครับจะมีหนังสื อ, เ, สอเรื่องสี่เล่ออยูน่นะอ่านแล้วบางทีจําันไม่ค่อยได้ผมเป็นอย่างนั้นนะอ่ะานแล้วมันจำเราไม่ค่อยได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ใหม่สำหรับเราครับนึกถึงวันที่อ่านต้องตั้งทำเป็นเนยแล้วนะ มาอ่าแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปคุยใช่ไหมไม่ได้ไปนั่งเป็นอาจารกล่าวให้ใครแล้วก็ไม่ได้ต้องไม่ค่อน้ไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ไปนั่งอธิบายให้ใครนะก็ดไม่คุ้นเคยเรื่องพวกนี้พออ่านไปแล้วก็จะลือถึงแม้เป็นท่ารู้สึกจังสองรอบสามรอบก็ยังไม่เข้าก็ไม่ค่อยจํำเข้าใจมากนะแต่ก็มีสงสัยอยู่หลายที่หลายแต่พออาจารย์อุดรมาขึ้นมาผมมาอยู่ที่นี่นะมันเจออาจารอุดร ผมก็ยังอยู่ตั้งน้านผมยังไม่ได้ถามเรื่องนี้กั่ท่านต้งทีนะครับตอนนู้นพอผมรู้ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานน้าก็ต้องไปแล้วนะผมรอช้าไม่ได้ <c oughs> ผมต้องรีบถามเดี๋รือ่องปริวัตนะครับผมสงสยงัยตรงไหนตั้งคำถามไปเลยครับมันจะเขียนเขียนเนี่ยเวลาผมสงสัยพี่นายนผมจะใช้วิธีอย่างนี้นะครับผได้เขียนมาเลยนะเป็นขอ้อข้อนครับเราก็เก็บไว้ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็ถามมันจากครับคือ ถ, ถ้าไม่ได้เขียนมันจะลืมครับ ไม่ใช่ว่าคําถามอย่างเดียวนะไม่ได้คําตอบมึงต้องไปบันทึกเอาไว้ในสมุดเล่มหนึ่งครับเป็นบันทึ่งเป็นตะเล็กของผมนะครับก็บันทึกเป็นหนูผมไม่แน่ใจว่ามันถึง200 200ข้อเนีอยนงครับที่บันทึกนะเกี่ยวกับคาถามคำตอบนะครับเรื่องคำวินัยทิ่ถามจำหลายท่านนะโดมีควาะจารึกพลนะครับทีนี้เรื่องปริวาสเนี่ยก็ถามจำลองท่านอธิบายนะครับได้ผมก็ได้นยายะเนี่ยมันหลายอย่างนั้นจะท่านเยอะมาก แล้วก็มวเมื่อเราข้าใจะได้ดีนะช่วยทำไม่การอ่านของเราเนะี่ยจำได้ดีขึ้นด้วยนะครับพอแต่แรไม่ค่อยเข้าใจดีใช่ไหมอ่านแล้วลึมลืมทีนี้พอเข้าใจอาจารย์ท่านบอกท่านจีให้เรานี้นะครับก็เลยช่วยให้เข้าใจดีขึ้นแล้วก็จาได้ดีขึ้นด้วยครับอันนี้นะทีนี้ตอนสมัยที่เรียนวิทย์ใหม่ๆผมก็มีปัญห า, าบางทีบางทีมันจะเกิดอย่างนี้นะทุกที่เียนวิทย์ใหม่จะเหยนข้อท่า น, นน้อยนะครับ เกิดมาหน่าที่ที่เข้าใจเรื่องเตือนนี่ผมก็รู้มากเติมแน่อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีแม้ขนาดว่าครูบาอจารย์นะบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยอะไรท่านนะครับบางทีมีนะบางทีเห่นเช่นอาจารย์พยองไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้นะไม่หรอไม่เชื่อนะครับมีนะแล้วก็พูดออกมาอะไรนะครับมันไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอศึกษาไปศึกษาไปค้นไปค้นมานะครับเราต้องจํายอมนะยอมดี่หลักฐาใแลเหตุผลนะว่าท่านพูดเนี่ย มีหลังหลงนงอยั้นตรงนีจริงก็วันนี้เราไม่เราไม่ได้เคยไปเจาะถึอองตรงนั้นไงแเราก็เลยเออไมท่านไม่ได้ใช้ปลกนะก็เลยแล้วก็มีอัตามาณะอะไรทุกนี้เลยครับก็เลยปฏิเสธนะแต่พอไปนค้นสึกสามารถเข้ามากเข้าก็ ก, ก็ยอมแล้วก็เชื่อครับเชื่อนะ้าจริงๆนะอันนี้ผมก็เลยอยากฝากให้พ่อนุนว่าเราอยา่าไปประสบวันสระมะคุบาจาริกฐนะครับนะว่าเราเนี่ยโอ้แนยย่รู้มา ก, ามากนี่คุบาจคริกฐครับเพราะผมเคยเป็นมาแล้ว แล้วก็ต้องจำยอมครับเรวยหลักฐาแล้วก็เห็นผลนะต่างๆที่ครูมาอาจารท่านแนะนํามานะครับเป็นเัื่จริงเพราะว่าบางที่เนี่ยท่านไม่ใช่ว่าแปลได้ยอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าอ่านหน้ายอย่างเดียวเกี่ยวกับการวิิจัยนะครับอาศัยประสบการณ์หรือว่าการสังสมในอนดีตด้วยนะครับทีเคยสั่งสมมาประสบการณ์และก็สติปัญญาครับไว้ที่ปฏิฐานนะเพราะว่าเช่นคนเราเนี่ยเช่ว่าพักสองลูก มาอ่านแล้วพยายามทัวร์ข้าใจหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือวิเนก็คิดทำแล้วแต่นะครับความแตกช้าความเข้าใจของแต่ละคนจะไม่เท่ากันคนที่มีสติปัญญาดีหรือว่าสังสมารดีนะเข้าใเข้าใจได้ดีนครับแล้วก็สามารถแตกแง่มุมนะเขาดูแป้บเดีย น, นะเขารู้แง่มูุมนะว่าคําอธิบายเป็นยังไงแต่อีคนอาจจะรู้แค่เต้นเต้นอย่างนี้นะครับนี่ไงซึ่งจิตวิญญาณถ้ามันใช้คำว่าแปลได้อย่างเดียวแต่ถ้าได้คํานี้ใช้ถ้ามีความเข้าใจนะครับที่แตกฉ้านะ สามารถจัดที่บ้านรับฟังได้ครับตรงนี้ส่วนหนึ่งอันนี้นะครับก็ครูบาอาจารนะอาจารย์ผัญอาจาสมพลอาจาย์มอาารยดองแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นนะที่ได้ไปฟังมาจากงานสัมมนาะครับเพื่อใช้ความมีความรู้ความเข้าใจขึ้นมาได้นะครับผมไม่ได้รู้อะไรหมดทุกอย่างนะที่ไม่รู้ก็มีเยอะนะครับที่ไม่รู้ก็มีเยอะเทียบกับครูบาลาารย์เลยคือไม่ได้เลยน แล้วผมมีปัญหาว่าพอถึงสอนหายรอบ ก, ก็จริงนะแต่มางทีก็จําไม่ค่ อ, อได้ครับลืมง่ายเหมือนกันนะครับต้องคอยมาทบทวนนะหรือว่าเวลามาสอนเนี่ยมันจะมีประโยชน์ดีมากอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วยทำให้จําได้ดีด้วยครับแล้วตรงนี้นะแต่โอ้ผมเด็ครูบาอาจารย์ไม่ใช่างนั้นะครับผมถามนะตรงนั้นตรงนี้เขาตอบได้หมดเลงนะครัแล้วแล้วก็จำได้มาอยู่เล่มนั้นเล่มนี้ตรงนั้นตรงนี้ น, น, นะโอผมนี่ยประจังเลยครับ ไม่ใช่ธรรมนานะนิสสานบอราได้ขนาดนั้นเลยนะครับมันเที่ยมตัวเองอุ้ยทำอะไรคิดแต่ก็ลืมแต่ก็ลืมนะโอหา